สิบเก้าสิในห้องครัวไดดคุโเดคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะไดดะคุโอัตราสกุิมสตวันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทาอาหารคนรู้ว่าเต็มกそれともガスで料理しますかディฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะถ้าไม่กี่อย่าคิดมาโชดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะじゃがいもの皮を剥きましょうか ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะสラรดานเนือะไรมโชกะแก้วน้ำอยู่ที่ไหนคップวどこですกเดสจานชามอยู่ที่ไหนชกกิวะดโกเส่ช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนナนฟやフォークはどวですかส คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะคันกิลิโอมดเตย์มาสก์คุณมีที่เปิดขวดไหมคะเซนนุกิโอมดเตย์มาสก์คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะไวน์โนเซนุกิโอมตเตย์มาสก์คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ この鍋でスープを作りますか。くんがんらん炒めの魚のガラーニーはいかこのフライパンでさかなを焼きますか。くんがんらんヤンパック本ターやんにはいかこのグリルで野菜をグリルしますか。でちゃんがんらんたんと食べる用意をします。 น like ี่คือมีดซ่อมและช้อนナイフフォークスプーンはここですนี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปากコップお皿ナプキンはここです